เทศวันนี้จะเทศถึงเรื่องคุณนานีิสงแห่งการทำบุญกุศลในพร้อมใจกันมีศรัทธาภาษาธะในการที่จะทำบุญนำนกุศลพากาตั้งอกตั้งใจอุตสาหการงานจากกรุงเทพคุณมาถึงนี่ในช่วา จิตใจฟองใสสะอาดพอสมควรที่จะทำบุญในครั้งนี้คนในบ้านนี้ก็คนทางบ้านนี้แล้วอยจะมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดจังความเป็นจริงแล้วศรัทธาไอ้พวกญาณโยมทางนี้ไอ้สราญาณโยมครั้งนี้นะัะนอาจะมาตั้งใจอย่างนี้เบื้องต้ น, ตนคือว่าโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลยุคลาชที่ทเอทบอกเขาอยากจะขยายตึกอาภาธเขาเรียกว่าเขาตึกคนไขอนะนแล้วครานี้พระสงฆงพระเจ้าที่อยู่แถวๆนี้ทั้งสามทันะ้งสองอาเภอนี่ยก็ชมปรึกษาเืย ทางนั้นเราก็สมทบช่วยสร้างโรงพยาบาลศพเขาได้ตกลงกันอย่างนั้นถ้าเจ้าก็ะสงค์เพียงกันออกหาเรียลายเงินเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนนะก็เรียลายเงินได้เงินก่อนในเราไม่ถึงล้านดอกทั้งหมดไม่ถึงล้านมันอะมาสมทบก่นเขา เข า, าพูดัตมาบอกว่าเขาเจอทไปเออาตมาจะช่วยรแต่ว่ายังช่วยเไดก็ตามคำหลัง่และไม่ามารมรทราว่าม่ง้รเขาเมั่นมหมอประสงค์ว่าจะได้เงินจากอาตมาเงินอาตมาก็มาใช้เงินอืน่นไกลก็เงินญาติโยมนั่นแหละ พวกพุทธวิสัตน์ทั้งหลายลานั่นแหละอาตมาไม่มีอะไรได้หรอก น, นัดเดียวตะตังเดียวก็ไม่มีแต่เข้าไปยังขอทานชาวบ้านกินมันจะมีที่ไหนเงนินกะ่ะเหตุนั้นอาตมาพูดว่าเงินจํานวนนี้ที่จะสมบุญทําทานไอ้ที่จะถวายไอ้ที่จะ ส, ทจะสมทบนี่เนะ่ะเงินพวกชาวบ้านนะไม่ใช่เงินอาตมา แต่ว่าสมทบมากเอยเท่าไรก่อนยังมาทันบอกก่อนเหตุนั้นในการที่สมทบลงที่บาลทางนี้อาตมาเสียกว่าเงินทุนนี้โลดทลังสีพร้อมด้วยคณะสาธารณชิตวัดหินเนเป้งอาตมา ว, าว่าอย่างนี้แต่ยังมาท่นพูดว่าราคาไอจะสมทบเท่าไร เวลานี้เขารีเริ่มแล้วกำลังจะลงมือสั่งในกำลังจ ะ, ะมาขโมยเงินั้นม่ฉัลงมือสั่งก่อนพวกญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาครั้งนี้หมายจะสมทบทุนแล้วก็อาจจะมาด้วยนับว่าเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่คือว่า กุศล ส, สิ่งใดที่เราทำอางไฟนั่นต้องมองเห็นประโยชน์เสียก่อนจะเรียกว่ากุศลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่พวงขวงมากเพราะคนเจ็บคนไข้ต้องอาศัยโรงพยาบาล คนจะิร姆จะตายก็ต้องอาศัยโรงพยาบาลเก็บไข้ได้ตัวทุกจริงทุกประการอาศัยโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยโบราณเด็กก่อนโบราณเด็กกวางเขาใช้ยาสมุนไพรตามบ้านตามช่องรักษากันไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนี้สร้างโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์กว้างขวางมาก คนมาจากจะกิพิทังสี่ต้องมาสู่โรงพยาบาลวันหนึ่งวันหนึ่งไม่กว่สี่คนน่ะและโรงพยาบาลอนนี้ที่สร้างแล้วนันอยู่ได้นานตั้งเป็นหลายสิบปีตั้งเป็นยร้อ ย, ยปีถ้าหาจจะคิดคำนวณเรื่องเงินทองที่เราออกครั้งน้อยนิดเดียวเงินสมมติจะออกคนละร้อยลวพัน น้อยนิดเดียวแต่คุณค่ามากอันนั้นอาจารยายถึงว่าอันนี้ส่งมากอันนี้ส่มหาศาลทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งคนมารักษาตั้งหลายสิบหลายร้อยที่มารักษาสมมติว่าเราสร้างโรงไปบาบาลไว้เวลาสักิบปียังไงละ ลองคิดตัววันหนึ่งว่าหนึ่งคนที่มารักษาเป็นยีน่สิบสามสิบคนสีปีนั้นไม่คิดเท่าไหร่ละครน่าเหนื่อยมากมาเท่าไหร่และของล้วนี่ทะไมเป็นของบุคลลบคลใดใดบุคคลใดทั้งหมดเป็นของสาธารณะทั่วไปไม่จํากัดบุคคลไม่จำกัดชั้นวรรณะมีฐานะตามช่าเร็วสามทุกขตาที่สุด ก็ต้องไปนะถ้าหากว่าเราสร้างลงไปแล้วจึงว่ามันนี้สมมากผุ้สนมากที่สุดคือยังรักษาอายุรักษาชีวิตคนเจ็บคนป่วยคนจะตายรักษาชีวิตไว้ได้นานมากวายเดือดจักรพรานานนะับเงินเพียงร้อยเพียงพัน คนเราออกกันนั้นที่ว่ามีละมีประมาณนิดเดียวส น, นั่นแต่โรงพยาบาลมีคุณมหาสาสรแ์แก่มนุษย์ชาวโลกอันนี้จึิงว่าถ้าหากว่าเราคิดถึงคุณประโยชน์อย่างนี้แล้วเป็นของไม่น่าเสียดายเงินนั้นที่เราออกเป็นร้อยเป็นพันออกไปนนั้นหากว่าเราจะเอามาใช้เฉพาะส่วนตัว อามาบำรุงเลี้ยงรักษาตัวของตราอย่างว่าสมมติเอามาซื้กินเถอะเอามาซื้อแล้วทานมาหนึ่งวันหนึ่งก็เพียงแค่ว่ายังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งวันหนึ่งมาเหตสายเท่านั้นส่วนที่เราไปทําบุญนั้นที่เราไปทําทานต้องสร้างโรงพยาบาลนะั้มีคุณม่าสารอย่างยิ่งสามารถที่ยังตัวของเราให้ อาจสามารถตัวของเราก็อาจจะได้ไปรักษาที่นั่นก็ได้ญาติที่น้องหรือคนอื่นๆ ไ, ไปรักษาที่นั่นก็ได้ น, นี้ส่งที่เรา ท, ทํายังว่าเป็นของยิ่งใหญ่เราไม่นควรที่จะเสียดายคนที่เลื่อมควรที่จะเลื่อมใสศรัทธาภาษาทะเกิดขึ้นในใจของตนเพราะบนกุศล ส, ส่วนนี้ ท่านบอกว่ามีสมบัติไวแล้วแล้วหาเงินหน้าทองไวแล้วถ้าไม่ใช่ในส่วนตัวก็ขับแคบไม่พ่วงขวงถ้าหากว่าเราใช่เป็นใช้สมบัติเหล่านี้เป็นเงินทองมุลนี้เป็นให้เป็นประโยชน์พ่วงขวั่งมากท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเทศนาว่า นีสมบัติแล้วให้แบ่งเป็นสีน่ส่วนอะไาเงี้ยส่วนนึงเอาไปเลี้ยงตัวคือฝังดินเราฝังไว้ทีินใชคือตัวของเราเนี่ยเป็นแผ่นดินกเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งเราทานเข้าไปเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเราหรือนุ่มห่มเครื่องนุ่มขอผมก็ตามเถอะเครื่งที่อยู่ที่อาศัยก็ตาม เรียกว่าบำรุงก้อนดินนั่นไว้ไมให้มันแตกไม่อทําลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองเอาไปเลี้ยงบุตรภริ ย, รยาไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอันนั้นก็เป็นก้อนดินก้อนหนึ่งเหมือนกันถ้าไปเลี้ยงมันก็แตกพังไปเรื่อมในสบายอยู่ไม่อยู่ดีสบาย ในคนที่สูงใาจะต้องตายการเจ็บการป่วยต้องใช้ยารักษาทั้งตัวของเราแนละ้วบุญพันยาอนนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนที่สามเอาไปเลียงเพื่อนมิตรทหายบริษัทบริวารคนเราเกิดคือมาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีพวกพ้องพี่น้องญาติคง แม้แต่เราเกิดขึ้นมาไม่ใช่คุดขึ้นมาเฉยๆต้องเกิดเจากวิดามาันดาเหตุนั้นจึงเลี้ยงบริษัทสวิวานคนรอบในรอบตัวของเราเนะ่ยจะเป็นใครก็เอาถอะคนนั้นในช่อวาทำประโยชน์จริงใหญ่อันหนึง่ทงทำท้าหากว่าใช่เฉพาะส่วนตัว ครับแค่ไม่ข่วงข่วนไม่มีหมู่ไปพวกแม่เดตายก็มีคนถามซ้ําไม่ไม่ค้นหามไปทิ้งท่านนี่ว่ากินคนเดียวมันไม่สนุกหรอธรรมดาคนจะมีกินกินคนเดียวไม่ไม่สนุกกคือว่าเราทานคนเดียวเท่านั้นน่ะกลัวตะหมู่เพื่อนจะไม่เห็นกลัวตะหมู่เพื่อนจะมาชิงฉิน นั่นแมันไม่สบายตรงนั้นนะท่านกินเผือแผ่ทานเผือแผ่หมูเพื่อนรับประทานมันกุ้งขวงอันหนึ่งคนนั้นมาก็หายคนนี้มาก็หายเรียกพวกฟองหมูเพื่อนมารับประทานด้วยกันคุย ก, นสนก็สนุกเฮฮาสนุกเพลิดเพลินใ่ตัวไม่กลัวได้จะหมดของอันน่ะ ไม่ใช่หรืกินคนเดียวไม่สนุกอันนี้ส่วนที่สามส่วนที่สี่าไปทิ้งลงน้ำคือว่าทำบุญทาทานเหมือนกับไปทิ้งหลังน้ำหาเงียบมาคนทำบุญนํำทานไม่ห่วง ทานมากทานน้อยเธอได้เราไม่ห่วงเราทานแล้วแต่ยังจะทานอีกเราทานแล้วแตยังชักตัวนู้นเในทานอีกความที่ที่งเงินน้ำเนี่ยหายหมดไม่เป็นห่วงทําบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าหาสมบัติเงินทองได้มาแล้วคนใช้จ่ายเป็น ต้องแ บ, บ่งเป็นฉีกโบธาต้องแบ่งเป็นฉีส่วนอย่างอธิบายมานี้คือฝังไว้ในดินนั่นหนึ่งคือเลี้ยงตัวอัจฉริะร่างกายของตดแล้วก็เลี้ยงบุตรปัญยานนั้นหนึ่งเฉลียเพื่อนแก่เพื่อนมิตรหายบริษัทบริวาร น, นั่นอย่า ง, งที่ซด้อก่อนทิ้งลงน้ำ คือทำบุญทำทานนั่นเองถ้าหากคนใดหาสมบัติมาได้แล้วใช้สโดยสี่ประการอย่างที่อธิบายมานี้มีความสุขสบายทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกนาด้วย โลกนี้ก็เป็นสุขเมื่อสุขในโลกนี้จิตใจเบิกบานของแผ้วสายเพื่อปรจิตใจของแผ้วเบิกบานเดียวอะไรคนสุขทั้งสองอย่างบุคคลที่หาไปโหดทั้งสองนี่หายากที่สุดในโลกเงินจังมากหาจะจะปากใจ ท, ท้องมืองดกำลังกาย ันที่จะคิดถึงประโยชน์ข้างหน้าเลยน้อยนักต้องหนาเรารู้แล้วว่าเกิดสมาต้องตายันเมื่อตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวของเราไปกายนี่มันคองแตกคองดับจิตใจไม่แตกไม่ดับไปเกิดใน ก, กตีทั้งสาม คนเราตายมาบอกไม่กลับมาบอกอีกหรอกตายแล้วไม่มีไม่มีใครกลับมาบอ ก, อกสักคนเดียวท่านเมื่อตายไปแน้ขตานิ่งไปทุกคนทุกโทรมานไม่ได้สวยผลอันนี้สมในการทำํำกุ่ลในในชาติปัจจุบันนี้จะทุกข์แทนทุกข์ก็ดีไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยจะคิดถึงภายหลัง บอกว่าโอ้แล้วเกิดมาเสียชาติไม่ได้ทำคุณงาคุณดีให้ทำประโยชน์ใ้แก่บ้านเมืองเสียชาติต่ำถึงแม้จะเสียใจก็เสียใจอยู่คนเดียวเหตุนั้นในเกิดมาเป็นค น, นรู้ตัวว่าเราจะต้องตายจงที่ทำไว้เสีย การทำมากเลยทำน้อยให้เสถียรฐาขอให้ตั้งเจตนาให้ดีให้เชื่อมั่นในคุณพุศธลที่ตนทํานั่นจิตใจแน่วแน่อยู่กับพุทศผลนั้นเป็นของมากเองไม่ต้องเอาหน้าเอาเสียงไม่ต้องเอาชื่อเอาเสียง เอาเฉพาะใจของตนเองตั้งแน่วแน่ตรงเฉพาะบุญกุศลที่ตนทานั่นเองนั่นะเป็นอันนี้สงมากกุศลมากตรงนั้นแหละจงทำตนในเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งข้างหน้าในปัจจุบันก็ให้พึ่งได้อย่างที่บายมาที่ข้ออันที่ มีสมบัติมาแล้วนั้นได้เชื่เพิ่งในปัจจุบันเพิ่งในในโลกคนนี้และในเพิ่งในโลกหน้าอีกด้วยเอาละเทศนี้เลยเยอมากไ่ได้ปราภาพมาแล้ว